สำรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะวันนี้เป็นตอนที่5แล้วนะคะกับการที่เราฟังเรื่องราวน่าสนใจของชีวิตโยคีคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับชีวิตของโยคีสักเท่าไหร่โยคีก็คือผู้ปฏิบัติโยคะซึ่งเป็นคำสอนในศาสนาฮินดูนะคะถึงแม้ว่าเรานับถือศาสนาพุทธ แต่ว่าโดยพื้นฐานทางการปฏิบัติทางพิธีกรรมหลายอย่างเราก็รับมาจากศาสนาฮินดูโดยไม่รู้ตัวนะคะนี่เป็นเรื่องของโยคีผู้ที่สแสวงหาการหลุดพ้นในอีกวิถีทางหนึ่งใครที่ปฏิบัติโยคะเล่นโยคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีโยคีนะคะส่วนหนึ่งของวิถีในการดูแลสุขภาพ อันนั้นคือสุขภาพกายแต่ว่าวิถีของโยคะมีมากมายกว่านั้นชีวิตโยคีเขียนโดยท่านประมาหังษายโยคา น, นันทะค่ะซึ่งท่านเป็นโยคียที่มีชื่อเสียงท่านได้ละสังขารจากโลกนี้ไปเมื่อประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทิ้งหนังสือเล่มนี้ที่เป็นอัตตะชีวประวัติของท่านเอาไว้ และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังสือจิตวิญญาณที่ดีที่สุดในศตรวรรษนี้เลยทีเดียวเป็นหนังสือขายดีเป็นหนังสือที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะห้องสมุดหลังใหม่ได้รับมอบมาจากอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์นําเนื้อหาบางส่วนมาเล่าให้คุณได้ฟังกันวันนี้เป็นตอนที่5ค่ะแล้วก็จะเป็นตอนที่พูดถึงโยคีน้ําหอม ฟังดูแล้วอาจจะแปลกใจนะคะโยคีน้ำหอมหมายถึงใครโยคีน้ำหอมเป็นชื่อคือไม่ได้เป็นชื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของโยคีท่านหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับน้ำหอมในแง่มุมที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงค่ะก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าคุณพร้อมแล้วติดตามฟังได้เลยนะคะ ตอนที่ห้าชีวิตโยคีเชิญฟังค่ะ คุณฟังเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะมีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์นี่เป็นคติพจน์ของพระเจ้าโซโลมอนนะคะที่ทันโยคานันทะได้เล่าไว้ในหนังสือว่าทุกครั้งที่ออกมาไกลบ้าน ข้าพเจ้าจะสอดสายสายตามองหาไปรอบตัวด้วยหวังจะได้เห็นดวงหน้าของผู้ที่ฟ้าลิขิตมาเป็นคุรุของตนแต่มาลาคาชีวิตของเราก็ไม่เคยตัดมาบรรจบพบกันจนกระทั่งข้าพเจ้าเรียนจบชั้นมัธยมคือชีวิตของท่านความรู้สึกนึกคิดของท่าน<อ>ก็จดจ่อผูกพันอยู่แต่กับการเป็นนักบวช คือไม่เคยคิดเป็นอื่นเลยมุ่งมั่นแต่การที่จะสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ใช่สำหรับตัวเองเรียกว่าชีวิตบอลทูบีจริงๆนะคะสองปีให้หลังหลังจากเหตุการณ์ที่ท่านหนีไปฮิมาลัยกับเพื่อนๆแล้วก็ไปไม่สำเร็จเพราะว่าถูกพี่ชายตามกลับมาซะก่อนท่านก็ได้พบกับนักบวชอีกท่านหนึ่ง คือท่านครุษียุกเตส่วนในระหว่างนั้นท่านได้พบกับนักบวชและก็ผู้รู้อีกหลายท่านและโยคีน้ำหอมท่านสวามีพยักษก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะการพบกับโยคีน้ำหอมเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของความสนุกสนานน่าขบขัน ครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านยืนอยู่เบื้องหน้าเทวรูปพระแม่กาลีในเทวลัยมีเชิงอัดอธิบายเรื่องของพระแม่กาลีนะคะว่าท่านเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนกฎธรรมชาติอันอยู่เหนือกาลเวลาพระแม่กาลีมักสร้างเป็นรูปเคารพของสตรีผู้มีสีกรรประทับยืนโดยพระบาทเหยียบอยู่บนร่างของพระศิวะ ผู้ทรงไว้ซึ่งความไม่สิ้นสุดที่ทอดองค์ลงรองรับเพราะความเป็นไปแห่งธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ต่างๆล้วนบังเกิดขึ้นจากพระเพ็นเจ้าซึ่งแฝงเร้นอยู่ภายในทั้งสิ้นก่อนทั้งสี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนลักษณะพื้นฐานสี่ประการคือสองก่อนสร้างสองก่อนทำลายก็เรียกว่ามีทั้งการสร้าง มีทั้งการทำลายนี่คือการอธิบายความหมายของพระแม่กาลีนะคะทีนี้พอท่านหันหลังกลับมาก็พบกับชายร่างสูงคนหนึ่งอยู่ในชุดที่มีผ้าพันกายน้อยชิ้นดูปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าท่านเป็นนักบวชหรือที่เรียกกันว่าสาธุผู้ร่อนเร่ไร้หลักแหล่ง นักบวชผู้นี้ได้กล่าวข้อคิดในเชิงปรัชญาว่าเพราะเป็นเจ้านั้นเรียบง่ายสรรพสิพส่งทั้งหลายสี่ซับซ้อนในโลกที่ธรรมชาติทั้งปวงล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเช่นนี้พึงอย่าได้คิดเสาะหากฎหรือหลักการอันสมบูรณ์แบบจากที่ใดเลยธนยคานันทะในขณะนั้น ก็กล่าวกับนักบวชท่านนี้ว่าท่านชังผูดได้ตรงกับความสับสนภายในใจของกระผมนักความกาลุนและความโหดปร้ายของธรรมชาติที่สำแดงผ่านองค์พระแม่กาลีนั้นอย่าว่าแต่ตัวกระผมเลยแม้แต่ผู้มีปัญญาปราดเปรื่องกว่าก็ยังยากที่จะยังรู้ความในที่แฝงอยู่ได้นักบวชท่านนี้ก็บอกว่า น้อยคนนักที่จะไขความลี้ลับของพระแม่ได้ความดีกับความชั่วเป็นปริศนาท้าทายที่ชีวิตบันจงวางเอาไว้ต่อหน้าผู้มีปัญญาทั้งหลายอย่างลี้ลับเมื่อไขปริศนาหาคำตอบไม่ได้มนุษย์ส่วนใหญ่มักต้องชดใช้ด้วยชีวิตเป็นบทลงโทษที่ไม่ได้ต่างกันเลยไม่ว่าจะในสมัยนี้หรือสมัยนครทีบิสเมื่อครั้งโบ ร, โบราณ แต่ทั่วทุกหัวระแหงยังมีบุคคลผู้ยืนหยัดอยู่โดยลำพังไม่เคยที่จะยอมแพ้จนค้นพบความจริงแห่งเอกภาพอันมิอาจจะแยกออกจากในท่ามกลางมายาแห่งทวิภาวะได้ในที่สุดท่านช่างพูดได้อย่างเชื่อมั่นเหลือเกินนะขอรับเราภากเพียรภาวนาพิจารณาจิตของตนตามความเป็นจริงมานานนักหนา เป็นวิธีการเข้าหาปัญญาที่เจ็บปวดอย่างเหลือแสนการสำรวจตนเองอย่างละเอียดตามติดความคิดของตนอย่างไม่ลดละนับเป็นประสบการณ์ในการบทขยี้และตีแผลตัวตนของเราอย่างหมดเปลือกกระทั่งอัตตาที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังถูกบททาลายจนเป็นผุยผงแต่การวิเคราะห์จำแนกแยกแยะตนที่ทาอย่างละเอียดตามแบบแผนขั้นตอน ยอมก่อให้เกิดผู้รู้ผู้เห็นเหตุการณ์ภายหน้าส่วนการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดของตนการยอมรับเห็นดีเห็นงามกับความเป็นปัจเจกชนนำมาซึ่งความถือดีเชื่อมั่นว่าตนแตกฉานถือสิทธส่วนตัวในการตีความเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าและจักรวาลสัจธรรม ย่อมไม่ปรากฏกับผู้ที่มีความเยืโสโอหังในกมลละสันดานเช่นนั้นอยู่แล้วมมกุลทะหรือท่านโยคานันทะก็สนทนากับท่านนักบวชผู้นี้อย่างออกรถมนุษย์ไม่มีวันจะเข้าถึงสัจธรรมอันแท้จริงได้หากไม่ละเสียสิ่งมารยา จิตของเราเปิดรับกิเลสตัณหามานานนับศตวรรษพอกพูนด้วยโมหะจริต จ, จากมายาในทางโลกจึงเป็นชีวิตที่น่าเดียดฉันนักการฟาดฟันกับค่าศึกในสมรภูมิรบหรือจะสาหัสสากันเท่าการต่อก้อนกับศัตรูภายในใจของเราเองก็มนุษย์หน้าไหนเล่าจะหารเป็นปฏิปักษ์กับศัตรูผููยิ่งด้วยอำนาจ สามารถสร้างความเจ็บปวดทรมานให้เราได้อย่างเหลือแสนเป็นศัตรูที่ตามติดเราไปทุกหนแหง่งจู่โจมเราไม่เคยว่างเว้นแม้กระทั่งยามหลับพรั่งพร้อมไปด้วยอาวุธอันอาบด้วยพิษร้ายใช้ทางตันหาและอวิชชาเข้าเข็นฆ่าสังหารเราไม่มีเว้นแม้สักรายเดียวกระนั้นมนุษย์ก็ยังไร้หัวคิดยอมละทิ้งอุดมการ์ปล่อยชีวิต ให้ล่องลอยไปตามยะถากรรมเช่นนี้แล้วถ้าไม่เรียกว่าอ่อนแอเฉยชาและน่าอดสูยังจะเรียกอย่างไรได้อีกแล้วท่านสาธุท่านมีคิดสงสารมนุษย์ผู้หลงทางบ้างเลยหรือขอรับท่านเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าการที่จะรักทั้งเพราะเป็นเจ้าซึ่งจับต้องไม่ได้แต่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณความดีทั้งปวงรักทั้งมนุษย์ที่มีตัวตน แต่ร้ซึ่งคุณความดีนับเป็นเรื่องที่ชวนให้ปวดหัวจริงๆแต่ความคิดเป็นเชกเช่นเดียวกับเขาวงกฎการพิจารณาจิตตนอย่างทองแทะจะเผยให้เห็นลักษณะร่วมประการหนึ่งในจิตใจของมนุษย์ทั้งปวงนั่นคือแรงกระตุน้นจากความเห็นแก่ตัวที่ยึดโยงมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นอย่างน้อยที่สุดความเป็นพาราดรภาพของมนุษย์ก็สําดงออกมาอย่างเด่นชัด ผลพวงจากความตื่นตระลึงในการค้นพบดังกล่าวคือความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งจะพัฒนาไปเป็นความเมตตาต่อพวกพ้องผู้มองไม่เห็นศักยภาพในการรักษาเยียวยาของจิตวิญญาณที่ยังรอคอยให้เจ้าตัวเข้าไปค้นหาก็เป็นการสนทนาทางด้านปรัชญากันนะคะซึ่งท่านสาธุผู้นี้กับมุกุลท้า ก็ด้สนทนากันในเทวาลกาลีคาดแห่งเมืองกาละกาตาทีนี้หลังจากที่ได้สนทนากันไประยะหนึ่งแล้วมุกุลทะก็กราบลาท่านสาธุผู้มีโบหันจับใจซึ่งท่านก็ได้บอกว่า วันนี้หลังออกไปจากที่นี่เจ้าจะได้พบเห็นเรื่องแปลกๆบางอย่างทีนี้เมื่อมุกุลท้าออกมาจากเขตเทวัลแล้วก็เดินเตรไปอย่างไร้จุดหมายพอถึงหัวถนนก็ให้บังเอิญเลี้ยวไปเจอคนคุ้นเคยกันมาแต่เดิมเจอเพื่อนเพื่อนก็บอกว่า ฉันจะไม่ล้งตัวนายเอาไว้นานหรอกถ้านายยอมเล่าให้ฟังว่าหลายปีที่เราไม่ได้เจอกันนายไปทําอะไรมาบ้างมมกุนทาก็ไม่อยากพูดที่นายพูดนี่มันขาดกันสิ้นดีฉันต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วแต่เพื่อนผู้นี้ก็คว้ามือเขาเอาไว้ขาดขันจะเล่าให้ฟังให้ได้ แต่เขาคว้ามือข้าวเจ้าเอาไว้ขาดคันจะให้เล่าให้ฟังให้ได้ข้าวเจ้านึกขันในใจเขาดูเหมือนสุนัขป่าที่หิวโซยิ่งข้าวเจ้าพร่ำรำพันให้ฟังมากเท่าใดเขาก็ยิ่งตะกรุมตะกรามอยากรู้ข่าวมากขึ้นเท่านั้นข้าวเจ้าสวดอ้อนวอนตอพระแม่กาลีในใจขอให้ทรงประธานถนทางให้ปลีกตัวไปได้โดยไม่น่าเกลียดจู เพื่อนคนนี้ก็บอกลาเข้าไปเจ้าเอาดื้อเข้าไปเจ้าถอนใจอย่างโล่งอกเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเพราะออกจากสยองว่าอาจต้องเจอกับพ่อคนช่างเจ้านี้อีกครั้งพอได้ยินเสียงฝีเท้ากวดตามหลังมาติดๆเข้าไเจ้าก็ยิ่งสาวเท้าเร็วขึ้นไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองแต่แค่กระโดดพรวดเดียวเขาก็เข้าถึงตัวคว้าไหลเข้าไปเจ้าไว้พรางยิ้มราบ นี่ฉันลืมบอกได้เรื่องคันธบาบาโยคีน้ำหอมอาสมท่านอยู่ทางโน้นแนะ่นายไปพบท่านให้ได้นะท่านน่าสนใจจริงๆนายอาจจะได้พบเรื่องแปลกแปกก็ได้ไปล้นะคราวนี้เพื่อนจากไปจริงๆรําคำทำนายของนักบวชที่ไปเจอในเทวาลกาลีคาดผุดขึ้นมาในใจที่บอกว่าจะได้เจอเรื่องแปลกแปลก พอเพื่อนแนะนำด้วยความอยากรู้ท่านจึงเข้าไปในอาสมมีคนมาพาเข้าไปในห้องอันกว้างขวางในห้องนั้นมีคนจำนวนไม่น้อยนั่งอยู่กับพื้นแบบที่คนตะวันออกนิยมนั่งกันตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างบนพรมสีสม้มภายในอาสมก็มีเสียงกระซิบกระซาบกันอย่างตื่นเต้นว่านี่ ดูท่านคันธบาบาที่นั่งอยู่บนหลังเสือดาวนั่นสิท่านเสกดอกไม้ที่ไร้กลิ่นให้มีกลิ่นหอมของดอกไม้ชนิดใดก็ได้ท่านเสกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาให้กลับมาเป็นดอกไม้สดก็ได้แม้แต่ผิวของคนท่านก็เสกให้หอมฟุ้งได้เหมือนกันเข้าพเจ้ามองตรงไปยังท่านโยคยีผู้กว่าสายตาปราดไปทั่วห้องก่อนมาหยุดลงที่เข้าพเจ้า ท่านเป็นคนร่างท้วมมีหนวดคคราวครึม้มผิวคล้ําดวงตาโตเป็นประกายลูกเอ๋ยพอดีใจที่ได้เจอเจ้าบอกสิว่าเจ้าต้องการอะไรอยากจะได้น้ําหอมไหมจะอยากได้ไปทําไมครับเขาพเจ้าคิดในใจว่าคําถามของท่านราวกับเด็กไม่ประสาก็ป่าลนเจ้าจะเสพกลิ่นด้วยปาฏิหาริย์วิธีอย่างไรเล่า ด้วยการเขี่ยวเข็นเพระเป็นเจ้าให้ทรงบันดาลกลิ่นนั้นขึ้นมาหรือครับแล้วไงล่ะถึงยังไงพระองค์ก็ทรงรังสรร์ น, น้ําหอมขึ้นมาอยู่แล้วใช่ครับแต่ทรงบรรจุน้ําหอมนั้นลงในกลีบดอกไม้อันบอบบางให้เราได้ใช้การสดๆใช้เสร็จก็ทิ้งไปแล้วท่านเสกดอกไม้ได้หรือเปล่าครับโยคีท่านนี้บอกว่าได้ แต่ปกติพ่อจะเสกแต่น้ำหอมมากกว่าเอ๊ะแบบนี้โรงงานผลิตน้ำหอมมีต้องเจ๊งกันไปหมดหรือครับพ่อไม่ทำถึงข่านนั้นบอกนะจุดประสงค์ของพอ่อ <_ p are> เพียงแค่แสดงอนุภาพของพระเป็นเจ้า <_ p are> ให้เห็นเป็นประจักษ์เท่านั้นมม <_ p are> กุณทาก็แย้งบอกว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยเหรอ <_ p are> พระองค์มิได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้ประจักษ์ ในสรรพสิ่งและทุกขนแห่งอยู่แล้วหรอกรึนักบวชท่านนี้ก็บอกว่าก็ใช่แต่บางครั้งเราก็ควรจะเสกสิ่งที่พระองค์ทรงสรรสร้างขึ้นมาเองบ้างท่านใช้เวลาเล่าเรียนวิชานี้มานานแค่ไหนครับ12ปีเพียงเพื่อให้เสกน้ําหอมได้นี่นะท่านโยคีครับก็อีแค่น้ําหอมที่หาซื้อได้จากร้านดอกไม้ ด้วยเงินไม่กี่รูปีถึงกับใช้เวลานับ1ิบปีออกจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่นะครับกลิ่นหอมย่อมจางหายไปพร้อมกับดอกไม้แต่ความหอมก็จางหายไปพร้อมกับความตายเหมือนกันแล้วผมจะต้องการสิ่งปรุงแต่งสังขารตัวเองไปทำไมแม่พ่อนักปรัชญาใหญ่ฉันพูดได้ถูกใจพ่อนักเอาละ่ะยื่นมือขวาของเจ้าออกมา จากนั้นท่านก็ยกมือขึ้นในท่าในท่าประสาทพรคือท่าให้พรตอนนั้นมูกุนทะอยู่ห่างจากโยคียท่านเนี้ยประมาณ2 .'"3 สฟุตและไม่มีใครอยู่ใกล้พอจะถูกตัวได้มูกุนท่ายื่นมือออกไปแต่ท่านโยคียก็ไม่ได้สัมผัสจับต้องมือนั้นเลยแต่ท่านถามว่าเจ้าตองการกลิ่นอะไรกลิ่นกุหลาบครับ โยคีก็บอกว่าจงเป็นดังนั้นปรากฏว่ากลิ่นกุหลาบหอมฟุ้งกำจายออกมาจากใจกลางฝ่ามือสร้างความประหลาดใจให้กับมุกุลทายิ่งนักข้าพเจ้ายิ้มขณะหันไปควา้าเอาดอกไม้สีขาวที่ไร้กลิ่นดอกใหญ่มาจากแจกันใกล้ตัวท่านเสกดอกไม้ไร้กลิ่นดอกนี้ ให้มีกลิ่นหอมของดอกมะลิได้ไหมครับโยคีบอกว่า <I am. S 1> จงเป็นดังนั้นกลิ่นมะลิรมเพยออกมาจากกลีบดอกไม้นั้นทันขวันข้าพเจ้าขอบคุณท่านโยคีแล้วซุดตัวลงนั่งข้างสิทธิ์ของท่านคนหนึ่งเขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านขันธบาบามีชื่อจริงว่าวิสุทธานันทะ ท่านศึกษาวิชายโยคะอันลี้ลับมาจากอาจารย์ในทิเบตหลายอย่างด้วยกันเขายืนยันกับข้าพาจ้าว่าโยคีทิเบตท่านนั้นมีอายุมากกว่าพันปี น, นี่ท่านคันทบาบาไม่ได้เสกกลิ่นหอมให้ใครง่ายง่ายอย่างที่เห็นเมื่อครู่หรอกนะนนผู้เป็นศิษย์บอกกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แสดงความภาคภูมิใจในตัวผู้เป็นอาจารย์ ท่านมีกรรมวิธีร้อยแปดขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละบุคคลท่านวิเศษมากจริงๆแม้แต่นักวิชาการจากกาลกตัตาก็ยังมาฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านต่้งหลายคนนะ่โ <am> มกุลทะจะศรัทธาแล้วก็จะฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านคันธบาบาหรือไม่ติดตามช่วงหน้าค่ะเพลงที่เปิดอยู่ตอนนี้นะคะ ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับท่านปรมาหังษาโยคานันท้าชื่อเพลงว่า When this I shall die Then I shall know และเพลงที่จะเปิดต่อไปนะคะชื่อว่า Prayer at night แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังต่อหลังเพลงค่ะ In the peace of. ฟังกันต่อเลยนะคะโมคุณท้าบอกกับตัวเองในใจว่าจะไม่ขอเป็นหนึ่งในจำนวนสิทธิ์ของท่านคันทาบาบาแน่นอนอาจารย์ที่เป็นผู้วิเศษตรงตามสับบัญญตัตเกินไปแบบนี้ไม่อยู่ในวิสัยที่ข้าพเจ้าจะเลื่อมใสศรัท ธ, ธาได้ข้าพเจ้าขอบคุณท่านคันทาบาบาอย่างสุภาพก่อนลาจากไป ระหว่างเดินทอดน่องกลับบ้านก็เอาแต่ครุ่นคิดถึงบุคคลทั้งสามที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบผ่านในวันนี้ mm hmm. คือเหมือนกับว่าอาจารย์แบบนี้ดูดูเป็นผู้วิเศษเกินไปไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ที่ต้องการ mm hmm. พอก้าวเข้าสู่ประตูบ้านพี่สาวคือพี่อุมาก็เดินสวนออกมาแล้วก็ทักบอกว่า ชักจะสำอางใหญ่แล้วนะหัดใช้น้ำหอมซะด้วยสิหมูกุนทะก็ไม่พูดอะไรยื่นมือออกไปให้พี่ดมกลิ่นกุหลาบหอมจังหอมแรงผิดปกติเมื่อคิดขึ้นมาว่าผิดปกติอย่างแรงมูกุนทะจิงจอดดอกไม้ที่ได้กลิ่นหอมมาด้วยวิธีปาฏิหาริย์นี่นะคะเข้าไปที่ใต้จมูกของพี่สาวโดยที่ไม่ได้บอกว่าอะไร คือที่มือเนี่ยมีกลิ่นกุนหลาบแต่ดอกไม้สีขาวซึ่งคันธบาบาเสกให้มีกลิ่นมะลิมูกุลท้าก็เอามาด้วยเขาก็หยิบดอกไม้เนี่ยไปจอที่จมูกของพี่สาวพี่สาวก็บอกอุ๊ยพี่ชอบมะลิแล้วก็ช่วยเอาดอกไม้นั้นไปสีหน้าของพี่สาวดูสับสนจนหน้าหัวเราะว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่ดอกมะลิแต่ทาไมถึงมีกลิ่นมะลิ แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสูตรกลิ่นมะลิจากดอกไม้ทั้งๆ ท, ท, ที่พี่สาวเองก็รู้ดีว่าไอ้ดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยมันไม่มีกลิน่นจากเหตุการณ์นี้เองนะคะทำให้มุกุลทะหายแคลงใจว่าท่านคันทาบาบาไม่ได้ใช้อำนาจสะกดจิตให้คิดไปเองว่าได้กลิ่นหอม คือตอนแรกนี่สงสัยว่าเป็นการสะกดจิตที่ทำให้ทำให้หลงคิดว่าได้กลิ่นหอมคือสะกดจิตให้หอมอ่ะนะคือดอกไม้เนี่ยมันไม่ได้หอมหรอกแต่เราเนี่ยรู้สึกหอมไปเองทีนี้พออามาทดสอบกับพี่สาวซึ่งไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการ์แล้วก็ไม่มีโอกาสได้ถูกสะกดจิตพี่สาวก็ยังคงได้กลิ่นเหมือนเดิมก็แสดงว่าไม่ใช่การสะกดจิต เพราะถ้าเกิดเป็นการสะกดจิตก็จะต้องมีแต่ตัวมุกุลทะเท่านั้นที่ได้กลิ่นเหล่านั้นแสดงว่าทําให้หอมจริงๆคือมีกลิ่นหอมจริงๆเพราะว่าใครๆก็สามารถที่จะได้กลิ่นหอมนี้ได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในพิธีหรือคนที่ได้พบกับท่านเท่านั้นภายหลังเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าอาลการันทะ ได้เล่าให้กับมุกุลท้าฟังว่าท่านโยคีน้ำหอมเนี่ยมีอำนาจมีอำนาจพิเศษบางอย่างซึ่งเป็นอำนาจที่เออน่าจะให้ผู้คนที่อดอยากนับล้านล้านคนในโลกเนี่ยได้มีแบบนี้บ้างอำนาจนั้นก็คือการเสกของออกมาจากอากาศธาตุค่ะ เพื่อนที่ชื่อว่าอาราการนันทะก็เล่าบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปเป็นแขกพร้อมกับคนอื่นอีกนับร้อยคนที่บ้านของท่านคันทบาบาในเมืองเบิร์วานคือไปกินเลี้ยงกันเพราะว่าได้ยินกิติศัพด์ว่าท่านมีอำนาจเสกของออกมาจากอากาศได้ก็เลยนึกสนุกขอให้ท่านเสกส้มนอกฤดูให้สักหน่อยทันใดนั้นเองอแผ่นแป้ง ลูชีซึ่งเป็นแป้งสีแบบอินเดียเป็นแผ่นกลมๆแบนๆที่วางอยู่ตรงหน้าก็พองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นพอบิดูก็เห็นส้มที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างในอาราการนันทะลองชิมดูแบบแกร่า ก, กลัวๆ ก, ก็ปรากฏว่ามันอร่อยดีทีเดียวหลายปีต่อมา มุกุลทะมียานแก่กล้าพอที่จะเข้าใจได้ว่าท่านขันธบาบาเสกของเรานั้นได้อย่างไรแต่อา น, นิจจามันไม่ใช่วิธีง่ายๆมันไม่ใช่วิธีที่ชาวโลกผู้อดอยากคิวโหยจะสามารถเอื้อมถึงได้ท่านอธิบายอย่างนี้นะคะว่าการรับรู้เมื่อเกิดมีสิ่งต่างๆมากระทบกับภาษาของเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงหรือสัมผัสล้วนเกิดขึ้นจากความผันแปรของแรงสั่นสะเทือนในอิเล็กตรอนและโปรตอนแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของปราณหรือว่าไลฟ์ตรอนที่หมายถึงพลังชีพที่ละเอียดละเอียดกว่าพลังปรามาณูและผสานเท่ากับประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างเฉียบคม ท่านคันธ์บาบาใช้โยคะวิธีอย่างหนึ่งปรับตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับพลังปราณจนสามารถเปลี่ยนโครงสร้างแรงสั่นสะเทือนของพลังปราณและทาให้เกิดสสารที่ท่านต้องประสงค์ได้คือเกิดสสารที่ท่านต้องการสิ่งที่ท่านเสกไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมผลไม้และปาฏิหาริย์อื่นๆก็จะก่อรูปก่อร่างขึ้นมาจากคลื่นความสั่นสะเทือนในโลก ไม่ได้เกิดจากการสะกดจิตให้คนคิดไปเองแต่อย่างใดแพทย์ได้นำเอาการสะกดจิตมาใช้ในการผ่าตัดเล็กแทนการใช้ยาสลบกับคนไข้ที่มีปัญหากับยาชานะคะแต่ถ้าใช้วิธีนี้บ่อยๆก็อาจก่อให้เกิดอันต ร, รายกับผู้ถูกสะกดจิตได้เพราะจะส่งผลให้การจัดเรียงตัวของเซลล์สมองผิดปกติไปในภายหลังการสะกดจิต ถือเป็นการบุกรุกล่วงล้ำเข้าไปในจิตสำนึกของผู้อื่นผลที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวของมันต่างจากปาฏิหาริย์ที่สําแดงโดยผู้เข้าถึงพระเป็นเจ้าแล้วอย่างสิ้นเชิงปาฏิหาริย์ที่โยคีน้ำหอมแสดงแม้ว่าจะน่าตื่นตาตื่นใจแต่ท่านโยคานันทะบอกว่า กลับไร้ประโยชน์ต่อจิตวิญญาณอย่างสิ้นเชิงนอกจากให้ความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีแต่จะทำให้คนหลงทางห่างหายจากการค้นหาพระเจ้าอย่างจริงจังครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่เคยเห็นดีเห็นงามกับการโอ้อวดอิทธิฤทธิปาฏิหารก็คงคล้ายๆกับทางพุทธศาสนานะคะ ที่ไม่ได้บอกว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารไม่มีแต่พระพุทธเจ้าไม่สันเสริญแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์เพราะว่ามีแต่จะทำให้คนเนี้หลงผิดหลงทางห่างไปจากหนทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงก็คงคล้ายๆกันจริงๆก็คงจะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ จริงๆก็อาจจะไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาระคะเพียงแต่ว่าคนโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้วิธีที่จะทำมันเท่านั้นเองแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ก็อาจจะยังไม่สามารถค้นพบวิธีการที่จะทำสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าบรรดานักบวชเหล่านี้เข้าถึงวิธีเหล่านั้นโดยจิตไม่ได้อาศัยเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ยังไม่มีใครอธิบายได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งเหล่านั้นก็เลยถูกเรียกว่าอิทธิฤทธิปฏิหารทานยูคานัทา น, น, านทะสมัยเด็กๆที่ยังคงเป็นหนุ่มน้อยก็ปรารถนาที่จะได้พบครูบาอาจารย์ที่ตัวเองนับถือศรัทธาแต่ครูบาอาจารย์ที่ แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริเช่นนี้ไม่สามารถที่จะทำให้ท่านศรัทธาได้คือยังไม่ใช่ทางในบทที่6นะคะชื่อบทว่าสวามีพยักวันหนึ่งค่ะจันที เพื่อนนักเรียนมัธยมของของท่านเนี่ยก็ชวนให้ไปหาท่านสวามีพยักษ์พยักษ์ที่แปลว่าเสือนี่และค่ะบอกว่านี่ฉันได้ที่อยู่ของท่านสวามีพยักษ์มาแล้วพรุ่งนี้เราไปกราบคารวะท่านกันเถอะท่านอยค่ขานันท์ในสมัยนั้นอยากไปพบค่ะเพราะได้ยินมาก่อนก่อนหน้านี้ว่าท่านสวามีพยักษ์เนี่ย ก่อนที่ท่านจะออกบวชเนี่ยนะคะท่านเคยจับเสือแล้วก็ปราบเสือด้วยมือเปล่ามานักต่อ น, นักท่านก็เลยอดไม่ได้ที่จะกระตือรือร้นตามประสาเด็กผู้ชายที่จะสนใจเรื่องเหล่านี้เช้า ว, วันรุ่งขึ้นหลังจากที่เพื่อนชวนอากาศหนาวมากแต่ท่านกับจันทีก็ออกจากบ้านด้วยหัวใจที่เบิกบาน หลังตรเวณหาอาสมของท่านสวามีพยักในเขตโพวณนีปุระที่นอกเมืองกาลากาต้าอยู่เป็นนานในที่สุดก็มาถึงบ้านของท่านสวามีพยักจนได้ที่นาบ้านท่านมีห่วงเหล็กคล้องอยู่ที่หน้าประตูอยู่คู่หนึ่งท่านกระตรงเข้าไป ขวามันกระแทกเขาใส่กันเสียงดังแสบแก้วหูกระนั้นคนรับใช้ก็ยังค่อยๆเดินลอยชายออกมาอย่างสบายอารมณ์ริมฝีปากมีรอยยิ้มเยาะที่บอกเป็นนยะว่าไม่ว่าผู้มาเยือนจะส่งเสียงอึกทึกสะแค่ไหนก็ไม่อาจทำลายความสงบในอาสมแห่งนี้ได้ จันทีกับหุปุนทะนั่งรอกันอยู่ในบ้านนานสองนานในห้องรับแขกนานจนชักจะเริ่มเป็นกังวลที่อินเดียจะมีกฎที่ ที่รู้กันโดยทั่วไปนะคะคือไม่ได้มีตราเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่รู้กันโดยทั่วไปว่าคนที่ต้องการแสวงหาสัจธรรมนี่จะต้องมีความอดทนเพราะว่าครูบาอาจารย์อาจต้องการทดสอบว่ามีความจริงใจตั้งมั่นสักแค่ไหนคือเอาจริงหรือเปล่าในที่สุดรออยู่าพาคใหญ่คนรับใช้ก็ออกมาเชิญทั้งคู่ให้เข้าไปในห้องนอนของท่านสวามีโสหง โสหงเป็นฉายาทางธรรมของท่านสวามีพยักษ์นะคะคือคนเนี่ยรู้จักท่านในนามของสวามีพยักษ์แต่โสหงนี่เป็นฉายาทางธรรมท่านสวามีนั่งอยู่บนเตียงท่านมีเรือนกายอันกำยำและใหญ่โตซึ่งทำให้เด็กหนุ่มทั้งสองคนที่มาพบเนี่ยคาดไม่ถึงเลยทีเดียวได้แต่ยืนอ้าปากค้าง มองท่านสวามีพยักจนตาแทบจะถลนออกมานอกเบ้าจันทีกลับเข้าพเจ้าไม่เคยเห็นใครมีแผงอกใหญ่โตมโหฬารและมีกรามแขนโตราวกับลูกฟุตบอลมาก่อนลำคอของท่านทั้งใหญ่ทั้งหนาใบหน้าดุแต่ดูสงบมีปอยผมห้อยระลงมาเป็นกระจุกและมีหนวดครารกคึม้มดวงตาดำสนิทของท่าน ใช้ประกายดุดดันประหนึ่งตาเสือร้ายแต่ก็มีแววบริสุทธ์อ่อนโยนประดุดตานกพิราบเช่นกันท่านสวามีไม่ได้สวมเสื้อผ้ามีแต่หนังเสือพันอยู่รอบเอวหนาห น, น, นาแค่ผืนเดียวเท่านั้นพอหายประหลาดใจเราทั้งคู่ก็ก้มตัวลงคารวะท่านเรียนท่านว่าเราชื่นชมความอาหารของท่าน ในการต่อสู้กับเสือร้ายกลางสนามประลองกันแค่ไหนท่านสวามีขอรับท่านจะไม่กระุนานเล่าให้เราฟังบ้างหรือว่าท่านใช้มือเปล่าสยบเสือโคร่งเบงกอได้อย่างไรท่านสวามีตอบอย่างนี้ค่ะลูกเอ้ยการสู้กับเสือไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับพ่อเลยกระทั่งวันนี้ พอก็ยังทําได้ถ้าจำเป็นพวกเจ้ามองเสือว่าเป็นเสือแต่พ่อเห็นมันเป็นแค่แมวเชื่องเชื่อเท่านั้นแล้วท่านก็หัวเราะเหมือนเด็กๆท่านสามีขอรับกระผมคิดว่าคงจะพอหลอกตัวเองให้เชื่อได้ว่าเสือเป็นแค่แมวเชื่องเชื่อแต่กระผมจะทําให้เสือมันเชื่อเช่นนั้นได้หรือหรือขอรับ <c oughs> ก็เป็นคําถามที่น่ารักทีเดียวนะคะท่านสามีบอกว่า แน่ละพละกำลังก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วยเราจะหวังชัยชนะด้วยการให้ทารกคิดเอาว่าเสือเป็นแค่แมวบ้านคงไม่ได้อาวุธสำคัญของพ่อก็คือมืออันทรงพลังคู่นี้จากนั้นนะคะท่านก็ให้ทั้งคู่เนี่ยตามออกไปยังลานอาสมแล้วก็ใช้หมัดซัด โครมเข้าที่ขอบกำแพงอิด ก, ก้อนหนึ่งแตกเป็นเศษเล็กเศษน้อยร่วงกระจายลงบนพื้นทำให้กำแพงมีรูโวจนมองออกไปเห็นท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนมูกลนทะถึงกับพังหักด้วยความประหลาดใจนึกได้แต่ว่า ถ้าสามารถใช้หมัดเดียวชกอิดที่สอปูลอย่างแน่นหนาให้หลุดจากกำแพงได้แล้วนะับประสาอะไรกับเสือเสือจะไปเหลือรึแต่ท่านสวามีบอกว่ามีคนจำนวนไม่น้อยมีพลักํำลังเช่นเดียวกับพ่อแต่ขาดความสุขุมเชื่อมัน่นคนร่างใหญ่แต่ใจขาดเช่นนี้แค่เห็นเสือตระเวนไพรยอยู่ในปา่า ก็อาจจะหวาดกลัวจนลมจับเอาได้ง่ายง่ายเสือที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติย่อมมีความดุร้ายตามสัญชตาตญาณป่าต่างจากเสือที่ถูกมอมด้วยยาฝิ่นในคณะละครสัตว์มากมายนะักถึงจะเป็นคนที่แข็งแรงและทรงพลังอย่างยิ่งแต่เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับเสือโคร่งเบงกอลก็ยังอดที่จะกลัวจนมือเท้าอ่อนปวกเปียกไม่ได้ด้วยเหตุนี้ เสือจึงทำให้มนุษย์ตกอยู่ในความหวาดกลัวไม่ต่างไปจากแมวน้อยตัวหนึ่งแต่บุคคลผู้มีร่างกายแข็งแรงและเต็มเปี่ยมไปได้วยความมุ่งมั่นย่อมสามารถพลิกสถานการณ์ของเสือให้กลับตลปัดและบีบให้มันรู้สึกไร้ทางสู้ราวกับเป็นแค่แมวตัวหนึ่งแล้วพอกระทำเช่นนั้นมานักต่อ น, นักแล้ว คำอธิบายของท่านสวามีพยักจับใจเด็กหนุ่มทั้งคู่เป็นอย่างยิ่งซึ่งทั้งคู่ตั้งใจฟังท่านอย่างเคารพ น, นอบน้อมจิตคือตัวควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อแรงเหวี่ยงของคออจะรุนแรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับพลังที่ใช้พละกําลังทางกายที่มนุษย์แสดงออกก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจและความกล้าของบุคคลเป็นสําคัญ กล่าวได้ว่ากายก่อเกิดจากจิตและคงอยู่ได้ด้วยจิตและพึ่งพาอาศัยแรงกดดันจากสัญชตาตญาณจากอดีตชาติเป็นผลก่อให้เกิดความแข็งแรงหรือความอ่อนแอซึ่งจะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในจิตสำนึกของมนุษย์โดยจะแสดงออกมาทางอุปนิสัยและหลอ่อหลอมร่างกายให้ดูเข้มแข็งหรืออ่อนแอตามนั้นความอ่อนแอของร่างกาย มีรากฐานมาจากจิตใจและในทางกลับกันร่างกายที่ยึดโยงอยู่กับอุปนิสัยความเคยชินก็เป็นอุปสรรคต่อจิตใจเช่นกันถ้าผู้เป็นนายยอมปล่อยให้บ่าวธาสมาชี้นิ้วบงการฝ่ายล้างก็จะกลายเป็นนายแทนในท้ายที่สุดจิตก็ตกเป็นาธาสของกายได้ในลักษณะเดียวกันนี้ จันทีและมุกุลทะอ้อนวอนท่านสวามีให้ท่านเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตบางช่วงให้ฟังอ้อนวอนจนท่านใจอ่อนท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านยังหนุ่มท่านใฝ่ฝันจะเป็นนักสู้เสือความฝันของท่านยิ่งใหญ่แต่ร่างกายอ่อนแอเข้าไปเจ้าหลุดเสียงอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเพราะมันยากจะเชื่อว่า ชายผู้บัดนี้มีไหลนะ่หนาบากว้างพร้อมแบกรับน้ำหนักมหาสารได้ดุจเดียวกับแอตลาสจะเคยเป็นคนอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงมาก่อนเพราะมุ่งมัน่นจะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยพละกกำลังให้จงได้พ่อจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคทางกายทั้งนี้ต้องยกความดีให้กับพลังใจที่เด็ดเดียวไม่ยอมแพ้ และจิตใจเช่นนี้เองที่ทำให้พ่อเอาชนะเสือโครงเบงกอได้ท่านสวามีขอรับท่านคิดว่ากระผมจะมีวันสู้กับเสือได้บ้างไหมขอรับนี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่มุกุลทะมีความไฝ่ฝันเช่นนี้หลังจากที่ฟังอยู่พักใหญ่ท่านสวามียิ้มแล้วก็บอกว่าต้องได้สิ แต่เสือนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทบางประเภทก็ออกตรเวนไปในพงไพรแห่งกิเลสตัณหาของมนุษย์การปราบเสือภายนอกหรือจะมีคุณต่อจิตวิญญาณเชกเช่นการกำราบเสือร้ายภายในใจของเราเองท่านจะ ก, กรุณาเล่าให้เราฟังได้ไหมขรับว่าท่านเปลี่ยนจากนักปราบเสือมาเป็นผู้กำราบกิเลสตัณหาในใจตนได้อย่างไร ท่านสวามีนิ่งเงียบดวงตาท่านเหม่อลอยกลับไปหาอดีตสมัยเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่จะเปิดเผยว่าเมื่อชื่อเสียงพ่อดงดังถึงขีดสุดพ่อก็หลงทะนงตนและตัดสินว่าจะไม่เพียงแค่สู้กับเสืออีกต่อไปแต่จะเปิดแสดงกลวิธีในการปราบเสือให้คนดูด้วย ความมุ่งหมายของพ่อคือจะต้องกำราบเจ้าสัตว์ร้ายเหล่านี้ให้เชื่องเหมือนแมวบ้านให้ได้พ่อจึงเริ่มเปิดแสดงความสามารถให้คนชมและประสบความสำเร็จอย่างสูงเย็นวันหนึ่งพ่อของพ่อก็เข้ามาหาด้วยสีหน้าเป็นทุกข์ ลูกพ่อพ่ออยากจะเตือนเจ้าพ่อจะช่วยเจ้าให้เดียวรอดพ้นจากความเจ็บไข้เพราะกฎแห่งกรรมที่จะตามเจ้าทันในเร็ววันนี้นี่พ่อเชื่อเรื่องพรหมลิขิต ด, ด้วยหรือนี่ฉันควรจะยอมให้ความเชื่อเรื่องโชคลาง มาเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของตัวเองอย่างนั้นหรือพ่อไม่ได้งมงายเรื่องโชคลางแต่พ่อเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมตามคำสอนในคำภีสัพพสัตในป่ากำลังกโกรธแค้นเจ้าและอาจนำเคราะหกรรมมาสู่เจ้าก็เป็นได้ท่านสวามีก็เถียงพ่อบอกว่าพ่อทำเอาฉันอึ้งไปเลยนะนี่พ่อก็รู้ว่าเสือมันเป็นอย่างไรสวยงามแต่ดุร้ายใครจะไปรู้ หมัดของฉันอาจทำให้หัวทึบๆของมันมีเหตุผลขึ้นมาบ้างก็เป็นได้ฉันเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนฝึกมารยาทสังคมประจำป่ามีหน้าที่อบรมให้พวกมันสุภาพอ่อนโยนโถ่พ่อจา๋าพ่อก็คิดเสียว่าฉันเป็นนักฝึกเสืออย่ามองว่าเป็นคนฆ่าเสือสิก่อฉันทำความดีแล้วมันจะมีผลร้ายอะไรกับตัวฉันได้ฉันขอละพ่ออย่าบังคับให้ฉันต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองเลย จันทีกับมุกุลทานนั่งฟังอย่างใจจดใจจอ่อรู้สึงถึงความลำบากใจของท่านในขณนะนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะว่าในอินเดียลูกจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ต้องทำตามความประสงค์ของพ่อแม่โดยไม่อาจบิดเริ้วติดตามเรื่องราวของท่านสวามีพยักได้ใหม่ในตอนหน้านะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะเชื่อฟังพ่อ ทำตามข้อเสนอของพ่อคำขอร้องของพ่อหรือไม่ที่จะให้เลิกล่าเสือเพื่อความโด่งดังติดตามต่อต่อไปได้นะคะกับชีวิตโยคีงานเขียนของท่านปรมาังสาโยคานันทาค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ